คำสั่งสอนที่แสดงชี้ยกเอาขันห้าขึ้นแสดงให้รู้จักลักษณะสองคืออนิจจลักษณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยงและอนัตตลักษณะลักษณะที่นาไม่ใช่ตัวตนดังนี้ก็เป็นพระหุลานุสาสนีถ้อยคำพร่ำสอนที่มีเป็นอนมากของพระพุทธเจ้า พระบรมศา ส, สดาและที่แสดงโดยลักษณะสามคือเติมทุกขลักษณะเข้ากรุงกลางเป็นอนิจจลักษณะลักษณะว่าไม่เที่ยงทุกขลักษณะ ลักษณะเป็นทุกข์และอนัตตลักษณะลักษณะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เป็นพระหูลานุศาสนีคําพร่ำสอนที่มีเป็นอันมากเช่นเดียวกัน ก็ยกเอาขันท่าอาณนะาญาตนาสิบสองเหล่านี้ขึ้นเป็นที่ตั้งเพื่อให้กําหนดพิจารณาให้รู้จักเช่นเดียวกันสําหรับที่แสดงลักษณะสองคืออ น, นิจจลักษณะ กับอนัตตาลักษณะนั้นหากจะมีปัญหาว่าไม่ขาดทุกขลักษณะไปหรือก็ตอบได้ว่าไม่ขาดทุกขลักษณะนั้นแม้ไม่แสดงก็รวมอยู่ในอนิจจลักษณะ กับทั้งอนัตตลกณะนั่นเองและในบทสวรมนต์ตอนเช้าที่ไม่ได้แสดงทุกขลักษณะด้วยเมื่อกำหนดดูบทสวรก็จะเห็นได้ว่าเริ่มด้วย ที่สวดแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นภูอันความทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่ด้วยกันและความทุกข์ที่อย่างลงความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้า ของทุกๆคนนี่ก็คือชาติทุกเจรรราทุกมรณะทุกข์เป็นตน้นดังที่พระบรมศาสตร์สดาได้ตรัสแสดงชี้ไว้ในหมดทุกขสัจจ์สภาพที่จริงคือทุก ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ทุกที่แสดงไว้ว่าทุกคนมีทุกอย่างลงมีทุกเป็นเบื้องหน้านี่ก็เพื่อให้ทุกทุกคนได้บังเกิดธรรมสังเวท คือความสังเวชใจเพราะเหตุที่มีทุกข์ประกอบอยู่ล้อมอยู่โดยรอบเพื่อที่จะได้ขนขวายปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็น ความมุ่งหมายในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกนี้จึงเป็นคำที่รวมทั้งหมดฉะนั้นเมื่อใด กำหนดพิจารณาให้เกิดความสังเวชว่าทุกคนมีทุกอย่างลงมีทุกเป็นเบื้องนาดังนี้จึงได้สวดไปถึงอะหุลานุสาสนีของพระพุทธเจ้ายกเอาขันห้าขึ้นมาสวดเพื่อที่ จะได้กำหนดพิจารณาต่อไปให้มองเห็นว่าอย่างไรก็คือว่าขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งสมุดบัญญัติตัว อ, อัตภาพความเป็นตัวเราของเรานี้ก็คือ กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็ล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงทุกลักษณะไว้ในที่นี้อีกเพราะได้ยกความทุกข์ขึ้นมาปรารบไว้ในเบื้องต้นแล้วอันเป็นที่รวมของลักษณะทั้งหมดก็เป็นอันว่าอ น, นิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตาความเป็นนันตตา ก็รวมอยู่ในคำว่าทุกคำเดียวอันนี้นั่นเองและก็จะพึงเข้าใจอีกได้ว่า อ, น, อนิจตาความไม่เที่ยงนั่นก็รวมเอาทุกขตาความเป็นทุกข์ไว้ด้วยเพราะที่ชื่อว่า ความไม่เที่ยงก็เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับความเป็นสิ่งที่เกิดดับนี่เองคือตัวไม่เที่ยงถ้าเที่ยงแล้วเกิดก็จะต้องไม่ดับดำรงอยู่ โดยไม่ดับความที่ดำรงอยู่ดังนี้จึงจะเที่ยงแต่เมื่อดำรงอยู่ไม่ได้ต้องดับจึงชื่อว่าไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ คืออาการที่ต้องถูกความเกิดและความดับดังนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามองลงไปในลักษณะที่ต้องเกิดต้องดับอยู่ตลอดเวลาดังนี้ เหมือนอย่างถูกความเกิดความดับบีบคั้นจึงมีลักษณะที่เป็นทุกข์และแม้ไม่มองในลักษณะเหมือนอย่างถูกบีบคั้นดังนั้นความที่ต้องเกิดต้องดับ ก็คือความที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแ ป, ปรเปลี่ยนแปลงไปลักษณะไม่ตั้งอยู่คงที่ดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงอิงอยู่กับความไม่เที่ยงนั่นเอง และก็อิงอยู่กับความเปน็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาโตต้ตนด้วยถึงจะไม่แสดงทุกขลักษณะเอาไว้ทุกขลักษณะก็รวมอยู่ในอริยจตาความไม่เที่ยงกับอนัตต า, ตาความไม่ใช่อัตตาโตตนดังกล่าวและ ข้อที่สวดกันว่าสับเบสั่งฆาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสับเบธรรมมาอนัตตาทมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน หรือว่าเติมข้อทุกข์เข้ากรงกลางเป็นไตรลักษณ์วสบเบสังฆาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสบเบสังฆาราหุกข้าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สบเบธมาอนัตตาทำทั้งปวง เป็นอนัตตาไม่ใช่อนัตตาตัวตนจึงมีปัญหาถึงข้อท้ายว่าทำไมจึงสวดวสเบธรรมะอนัตตาไม่สวดวสร่างฆาราอนัตตาก็ตอบได้ว่าอันที่จริงก็สวดได้วสเบสร่งางฆราอนัตตา สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาม่ใช่อัตตาตัวตนแต่จะต้องสวดเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าสบเบวิสังขาราอนัตตาวิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาม่ใช่อัตตาตัวตน ฉะนั้นเพื่อมาให้ต้องสวดเพิ่มเป็นสองข้อในข้ออนัตตาจึงใช้ธรรมมาเข้ามาแทนเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นคำว่าธรรมทั้งปวงนี้ท่านจึงแสดงว่าหมายถึงทั้ง สังคต ธ, ธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งก็คือสังขารและอสังคต ธ, ธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งคือวิสังขารเพราะอนัตตานี้ทั้งสังขารทั้งวิสังขาร ต่างเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยกันสังขาร น, นั่นก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งวิสังขาร น, นั้นข้ามคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งที่ท่านแสดงว่าอย่างสูงสุดก็ได้กันนิพพานหรือวิราคธรรม ธรรมะที่สิ้นความติดใจยินดีหมดความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงวิราคธรรมหรือนิพพานสิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจทั้งหมดเป็นวิสังขาร หรืออสังคต ธ, ธรรมที่เป็นยอดตามระพุทธภาสิทธิ์ที่ได้แสดงไว้ว่าอสังคตะธรรมทั้งหลายนั้นมีวิราคธรรมคือนิพพานดังนี้เป็นยอดและเมื่อแสดงอย่างนี้ก็บ่งว่าจะต้องมี วิสังขารหรืออสังคตรธรรมมากอย่างหรือหลายอย่างด้วยกันฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีก็ย่อมจะมองเห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหมดนั้น ก็ต้องจะต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเป็นคู่กันสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นก็จะต้องมีว่าปรุงแต่งจากอะไร จะต้องมีสิ่งที่เป็นต้นเดิมมาเป็นส่วนปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำสมมติบัญญัติเรียกสิ่งที่เป็นต้นเดิมอันเป็นที่มาของสุ่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายวัฏตะ ซึ่งบรรดาสังขารทั้งหลายนั้นก็จะต้องมาจากธาตุและธาตุในทางพิจารณานั้นก็ดังเช่นกีตรัสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ ปรุงมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและเติมอากาศสธาตเเขาอีกก็เป็นธาตุห้าแต่โดยมากก็แสดงแค่ธาตุสี่สำหรับพิจารณา ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมก็ธาตุเหล่านี้มาปรุงขึ้นเป็นกายและเมื่อกายแตกสลายธาตุทั้งหลายที่ปรุงเข้ามารวมกันก็เป็นกายนี้ก็แตกแยกกันและบุคคลทุกๆคนนั้นยังมีวิญญาณธาตคือธาตุรู้เข้ามาประกอบอีกด้วย จึงเป็นบุรุษสตรีเป็นบุคคลฉะนั้นพระพุทธพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงว่าบุรุษบุคคลเหล่านี้มีธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ดังนี้มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นบุรุษสตรี เป็นบุคคลดังที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นธาตุเมื่อเป็นธาตุแท้ก็ย่อมเป็นวีสังขารแต่ว่าธาตุในทางพิจารณานั้นก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นธาตุแท้ อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกนั่นเองแต่ว่าถ้าแสดงโดยลักษณะเช่นว่าสิ่งที่แข็งแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุาดินสิ่งที่ เอบอาบเหลวไหลเรียกว่าอาโปธาตัดน้ำสิ่งที่อบอุ่นเรียกว่าเตโชธาตัาดไฟสิ่งที่พัดไหวเรียกว่าวายโยธาธาตลม และสิ่งที่เป็นช่องว่างเรียกว่าอากาศสถานธาตุอากาศดังนี้ความเป็นธาตุก็ละเอียดเข้าไปอีกอย่างไรก็ดีที่จะเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สิ่งกรุงแต่งอันเป็นต้นเดิมที่แท้จริงนั่น ก็จะต้องเป็นสิ่งที่แยกออกไปอีกไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นแยกออกไปไม่ได้จริงๆจึงจะเป็นตัวธาตแท้และถ้าหากว่ามีอยู่นั่นก็คือวิสังขารทางวัตถุ ซึ่งเป็นต้นเดิมของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทางวัตถุทั้งหลายส่วนทางจิตใจนั่นจิตใจที่เป็นวิญญาณธาตุาตรู้ตัวรู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาตันหาอุปาทาน กรรมทั้งหลายนั่นก็ยังเป็นสังขารส่วนผสมปรุงแต่งแต่ว่าตัวรู้ที่สิ้นอวิชชาตนาอุปาทานทั้งหมดเป็นตัวรู้ที่รู้พ้นไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่ง ไม่มีการผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันต์พระสาวกทั้งหลายสิ้นอาสวะกิเลส ท, ทั้งหมดซึ่งอาจจะแสดงออกมาเป็นสมมติบัญญัติก็เป็นวิชาเป็นวิมุติ เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นสภาพที่เป็นวิสังขารที่เป็นวิรากธรรมหรือเป็นนิพพานส่วนวิญญาณธาตุธาตรู้ ที่ยังประกอบด้วยอาสวะกิเลสก็ยังเป็นสังขารคือยังผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิสังขารหรืออสังคตรธรรมทางวิญญาณธาตุนั้นแสดงได้ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นคู่กันสังขารมีสังขารแต่ทั้งหมดนี้อนัตตาไม่ใช่อัตตาตุตตดเพราะว่าเป็นสภาพธรรมดาเป็นธรรมดาที่เป็นไปอยู่ดังนี้ไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใคร เหมือนอย่างดินฟ้าอากาศที่เป็นของธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใครความเป็นใครเป็นของใครนั้นพระอุปาทานคือความยึดถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระบรมศ า, ศาศสานนตร์สดาจึงได้ตรัสสอนให้บุคคล กำหนดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกอันมีอยู่แก่ทุกทุกคนดังที่สวดว่ามีทุกอย่างลงแล้วมีทุกเป็นเบื้องหน้าเพื่อให้ มองเห็นทุกข์และความที่จะมองเห็นทุกข์นั้นวิธีที่พิจารณาที่เป็นปะหุลานุศาสนีนี้ก็เป็นวิธีที่สำหรับที่จะฝึกให้มองเห็นทุกข์ได้เป็นอย่างดีและก็จัดเข้า ในไฟวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องมีสติเครื่องนำก็คือสติปัฏฐานซึ่งจะมาเป็นสติสัมโพธิชงสติที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ในปัญญาวิจัยธรรมะและเมื่อวิจัยธรรมะได้ก็จะ เป็นสมัมมาสติวิจัยทุกได้มองเห็นทุกได้แต่ว่าการที่จะมองเห็นทุกนี้ที่เป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่าบุคคลยังติดอยู่ในทุกยังพอใจอยู่ในทุกยังมองเห็นว่า เป็นความสุขคือเห็นทุกข์ว่าเป็นความสุขซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่านันทิคือความเพลินกับราคะความติดใจยินดีดังเช่น ขันห้าอันเป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพอันนี้อันเป็นขมวดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่ากล่าวโดวยยอ่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความเพลิน ความติดใจยินดีอยู่ในทุกนี้คือยังเพลินยังติดอยู่ในรูปขันกองรูปในเวทนาขันกองเวทนาในสัญญาขันกองสัญญาในสังขารขันกองสังขารในวิญญาณขันกองวิญญาณ และไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อมีความเพลินมีความติดใจ ย, ยินดีก็ย่อมมีความลิ้นรนของใจใครที่จะได้ใครที่จะเป็นใครที่จะทำลายอันเกี่ยวแก่ความ เลิ Learn, และความติดใจ ย, ยินดีนี้ด้วยใครที่จะได้นั่นก็คือใครที่จะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่นารักใครปรารถนาพอใจต่างๆใครที่จะเป็นนั่นก็คือใครที่จะให้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของตนอยู่ตลอดไป